จเจริญพรสัทธาญาิโยผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2546เป็นวันขึ้น15ค่ำเป็นวันพระเป็นวันธรรมธรรมสวนะเป็นวันฟังธรรม ท่านจึงได้เดินทางมาที่วัดกันเพื่อปฏิบัติาศาสนกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ทรงกำหนดไว้ให้กับสาธุชนทั้งหลายผู้ปราศนาความสุขความเจริญได้นําไปปฏิบัติเพื่อผลที่ปราศนากันเพราะความสุขความเจริญนั้น เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติความดีความชอบตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เช่นการจำบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศฟังธรรมการปฏิบัติธรรมขัดเกาลาชัละกกเลตันหาที่มีภายในใจด้วยสมาธิ และปัญญาถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ทําความดีผลคือความสุขความเจริญ <c oughs> ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมาถึงแม้จะมีผลที่เราคิดว่าเป็นความสุขความเจริญที่เกิดจากการปฏิบัติความชั่วความไม่ดีก็เป็นผลที่เราเข้าใจผิด คิดว่าเป็นผลที่เกิดจากการกระทําความชั่วก็ได้เช่นคนบางคนมีความร่ำรวยมีชื่อเสียงมีตำแหน่งสูงๆด้วยการประพฤติไม่ชอบปฏิบัติกรรมก่อกรรมทําเข็นให้กับผู้อื่นแต่ก็สามารถมีความร่ำรวยได้ มีฐานะมีชื่อเสียง ม, มีหน้ามีตาได้แต่นี่ไม่ใช่เป็นผลที่แท้จริงไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ซ่อนเล่นอยู่ด้วยความทุกข์เป็นความเจริญที่ซ่อนเล่นซ่อนเล้นไปด้วยความเสื่อมเสียความหายนะที่รอวันรอเวลาที่จะปรากฏขึ้นมา คนที่ไปทำไม่ดีไม่ชอบไปช่อโกงไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องถูกเขาจับได้เมื่อถูกจับได้แล้วก็จะต้องถูกเขานำไปทำโทษแต่คนที่ทำความดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเวลาได้รับผลของความดีนั้นคือก็มีความร่ำรวยได้เหมือนกัน มีความสุขมีความเจริญได้เหมือนกันแต่เป็นความร่ำรวยเป็นความสุขความเจริญที่ไม่มีโทษซ่อนเร้นอยู่มีแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง <Yeah. S 1> และอีกประการหนึ่งคนที่ทำความดีปฏิบัติธรรมก็ไม่จาเป็นที่จะต้องร่ารวยเสมอไปไม่จาเป็นจะต้อง มีชื่อเสียงมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักว์แต่สิ่งที่เขามีนั้น ม, มีอยู่ภายในใจเขาคือความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นสิ่งที่คนภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้แต่เป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้สัมผัสอยู่<ม>อย่างพระพุทธเจ้ากับพระหลานสาวกทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ท่านไม่ร่ำรวยท่านไม่มีเงินทองสมบัติเข้าของอะไรมากมายนะท่านไม่ไม่มียศถาบรรดาศัก์ไม่มีตําแหน่งสูงสูงไม่มีใครคอยมายกย่องสรรเสริญเยินยอนะแต่ในใจท่านานั้นท่านรวยด้วยความสุขรวยด้วยความสงบ รวยด้วยคุณธรรมความดีงามเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติทาประพฤติตนในทางที่ดีที่งามดีกว่าคนที่ประพฤติไม่ชอบแล้วร่ำรวยมีตำแหน่งสูงสูงแต่ในใจของเขานั้น จะมีแต่ความวุ่นวายใจมีความแต่ความทุกข์ความกังวลใจไปไหนมาไหนต้องมีรอรพอพอคือผู้รักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่บ้านก็ต้องมีรอรพอพอคอยเฝ้ายามอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแล้วรับรองได้ว่า จิตใจจะไม่มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้จะมีบริษัทธ์มีบริวารมากมายแต่บริษัทบริวารก็ไม่สามารถทำให้ใจมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขได้ต่างกับในทางตรงกันข้ามอย่างพระพุทธเจ้ากับผ้าหลานสาวกท่านประกอบแต่คุยงานความดีท่านไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องมีรอพ อ, พอ ผู้มาคอยคุ้มกันรักษาท่านก็ไปอยู่ในป่าปเปลี่ยวคนเดียวอยู่ท่ามกลางสัตว์เสือต่างๆได้โดยไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวแล้วก็ไม่มีอะไรไปทําร้ายท่านเพราะว่าท่านไม่ได้ก่อกรรมทำําเวรให้กับใครนั่นเองท่านทำแต่ความคุณงามความดีมีแต่สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่น มีแต่แผ่เมตตาความเป็นมิมตรไมตรีจิตกับทุกๆคนไม่เคยคิดปองร้ายไม่เคยคิดเปลี่ยนเวียนไม่เคยคิดเอารัดเอาเปรียบใครนั่นแหละคือการกระทําที่จะนําพาไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงนั่นก็คือความสงบสุขของจิตใจนี่เป็นผลของการทําความดี ทำบุญทำกุศลปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อเรามาทาบุญตักบาตรพระแล้วพรุ่งนี้เราไปซื้อหวยแล้วงวดหน้าเราก็จะถู ก, กรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าการซื้อหวยเนี่ยมันก็เป็นการเสี่ยงโชคมันก็มีเลขหลายเลขด้วยกันถ้าเราไปหยิบเลขที่มันตรงกับเลขที่เขาออกเราก็ถู ก, กรัตเตอรี่ แต่ไม่ได้เป็นผลที่เกิดมา ท, ที่เกิดมาจากการมาทําบุญทําทานมารักษาศีลฝังเทศฟังธรรมมันเป็นโชคของเราหรือว่าจะว่าเป็นบุญเก่าก็ได้เป็นบุญที่เราเคยทําไว้ในอนดีตแล้วคราวนี้มันถึงเวลาที่จะออกดอกออกผลขึ้นมามันก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแต่ เราอย่าไปหวังว่าเราทำบุญในชาตินี้แล้วเราจะร่ำรวยความจริงแล้วถ้าเราทำบุญอย่างเดียวแล้วเราไม่ไปทามาหากินเราจะยากจนลงไปเสียอีกเพราะเงินทองที่เรามีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างพระเวชสันดรท่านก็เป็นอย่างนั้นท่านมีเงินทองท่านก็ทำบุญไปจนกระทั่งหมดตัวแต่ท่านก็ไม่รู้สึกว่าท่านมีความยากจน ท่านกลับมีความสบายอกสบายใจเพราะสมัยที่ท่านมีเงินทองนั้นท่านรู้สึกว่ามีภาระหนักอกไหนจะต้องคอยดูแลรักษาเงินทองไหนจะต้องทําให้มันงอกเงยขึ้นมาไหนจะต้องคอยรับแขกรับคนที่จะมาขอเพิ่งบุญขอยืมเงินขอเงินไ ป, ไปใช้ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างภาระทางด้านจิตใจทาให้จิตใจไม่สงบไม่สบายใจต้องคอยมาคิดคอยมาจัดการกับเงินทองแต่เมื่อได้นำเงินทองที่มีอยู่นั้นไปทำบุญทำทานช่วยเหลือพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ทำให้เกิดความเบาอกเบาใจในใจรู้สึกโล่งไป ตอนนี้ไม่ต้องมาห่วงเรื่องเงินทองแล้วตอนนี้ไม่มีใครจะมาคอยมาขอเงินขอทองจากเราแล้วไม่มีใครจะมาคอยโกหกหลอกลวงเราแล้ ว, ลวเพราะเราไม่มีอะไรให้เขาอีกแล้วเขาก็ไม่มาตอมเราเหมือนกั บ, บแมลงวันถ้าร่างกายเราชำระร่างกายเราสะอาดไม่มีกลิ่นตัวไม่มีเหนือใคร มแมลงวันมันก็ไม่ตองดันใดทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของต่างๆก็เปรียบเหมือนกับสิ่งที่จะทำสิ่งที่จะดึงดูดให้มแมลงวันมาตอมเรานั่นเองเมื่อเราใม้มีทรัพย์สินสมบัติเงินทองแล้วเราก็จะไม่มีใครมาวุ่นวายกับเราเราก็จะอยู่ได้ด้วยความสงบแต่ เหตุที่พวกเราทั้งหลายยังไม่สามารถอยู่กันได้ด้วยความสงบเหมือนกับพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระอาหารหันต์สาวกก็เป็นเพราะว่าใจของเรานั้นยังไม่ได้รับการขัดเกลา่ยังไม่ได้รับการชาระต้นเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองนั่นก็คือกิเลสตัณหาต่างๆที่ยังมีในใจอยู่ ตราบใดที่เรายังมีความอยากมีความโลภอยู่เราจะไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้ถึงแม้เราจะมีสมบัติเข้าของเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามมียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามเราก็ยังจะไม่สามารถอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าพอได้เรายังต้องออกไปเลี่นรน หามาเพิ่มอีกนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาฐานะของเราที่มีอยู่ไว้ดังนั้นไม่ว่าเราจะร่ำรวยขนาดไหนมีตำแหน่งสูงใหญ่ขนาดไหนเราก็จะยังไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะใจยังถูกรบกวนด้วยกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแต่ถ้าเราปฏิบัติ ตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาพาาาระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติมาก็คือการขัดเกลวจิตใจด้วยการบาเพ็ญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วออกจากสมาธิก็จเจริญปัญญาพยายามมองให้เห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เรามีความยินดีมีความรักมีความยุติว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่ารักน่ายุติหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นสิ่งที่จะสร้างแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราถ้าเราศึกษาดูแล้วเราจะเห็นว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าของต่างๆเช่นต้นไม้ภูเขาอาคารบ้านเรือนทรัพย์สมบัติต่างๆหรือบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาญาสนิทมิสหายสามีภรรยาบุตรทีดาทั้งหลายล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน นี่คือความจริงข้อที่หนึ่งที่เรียกว่าอ น, นิจจังไม่มีใครอยู่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมไปตลอดมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อมเมื่อเกิดมาก็จเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มก้าวสู่วัยชราก้าวสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บเข้าสู่ความตายนี่เป็นลักษณะของบุคคล ส่วนวัตถุข้าวของต่างๆก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลาได้ของมาใหม่ๆมันก็ดูใหม่แต่พอทิ้งไว้ชระยะเองก็เริ่มกลายเป็นของเก่าไปชำรุดสุดโทรมไปแล้วในที่สุดก็แตกสลายพังไปนี่คือลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ ในปกติถ้าใจไม่สงบใจไม่ได้รับการปฏิบัติทางสมาธิทำให้ใจสงบนิ่งใจจะไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องเหล่านี้เพราะในใจจะถูกอำนาจของความหลงอำนาจของความโลภของความอยากคอยกระตุ้นให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้บุคคลนั้นบุคคลนี้มา โดยไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาต่อไปคือความเสือ่อมสังเกตดูเวลาใครได้ลูกเวลาใครมีลูกออกมานี้ทุกคนจะดีอกดีใจดีใจว่าได้ลูกขึ้นมาเป็นลูกผู้หญิงก็ดีเป็นลูกผู้ชายก็ดีแต่ไม่มีใครเคยคิดแล้วว่าจะต้องเลี้ยงลูกนี้ไปจะต้องเสียเงินเสียทอง สีเวลาไปมากน้อยแค่ไหนจะต้องมาห่วงมากังวลกับลูกมากน้อยเพียงไรแล้วในที่สุดก็จะต้องจากลูกนี้ไปไม่เคยมีใครคิดเรื่องเหล่านี้เลยเพราะว่าใจถูกอำนาจของความหลงในครอบงำอยู่ปิดบังใจไม่ให้เห็นความจริงของความเป็นของไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อไม่เห็นความจริงอันนี้ก็เลยคิดว่าได้อะไรมานั้นจะมีแต่ความสุขกันจึงออกไปแสวงหากันถ้าเป็นคนโสดก็ต้องหาคู่เพื่อที่จะได้มีบุตรมีธิดาอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อได้มาแล้วเป็นอย่างไรเปรียบเทียบดูชีวิตระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่กับครอบครัวนั้น ใครจะสบายใจกว่ากันภาระอันไหนจะมากกว่ากันอยู่คนเดียวก็เพียงแต่มีตัวเรามีปากเดียวท้องเดียวมีใจเดียวที่จะต้องคอยดูแลเท่านั้นแต่ถ้ามีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามันก็มีหลายปากหลายท้องหลายจิตหลายใจก็มีแต่ภาระมีแต่ปัญหามีแต่ความ กังวลตามมานั่นเองดังนั้นสมมติว่าถ้าเราตอนนี้เรามีครอบครัวแล้วเรามีทรัพย์สมบัติเงินทองแล้วเรามีเรามีบุตรมีธิดาแล้วแต่เราไม่อยากจะทุกขกับสิ่งเหล่านี้เราก็ยังทำได้ถ้าเราปฏิบัติทำคือในเบื้องต้นทำจิตใจให้สงบก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิให้นิ่ง เมื่อจิตสงบนิ่งแล้วความหลงมันจะสงบตัวลงไปแล้วเราก็เริ่มพิจารณามองดูสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเรามีความกมังวลมีความห่วงใยมีความทุกข์เพราะอะไรเราจะเห็นว่าก็เพราะว่าเรามีความอยากอยากให้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นมีอยู่กับเราไปนานๆ ไม่ให้ยาไม่ให้เสื่อมไม่ให้เสียไม่ให้ชำรุดไม่ให้หมดไม่ให้หายไปถ้าเราเห็นว่าถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะมีความทุกข์มีความกมังวลใจไหมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่ใช่เป็นของของเราเรามีความกมังวลด้วยไหมดีเรามีความทุกข์ด้วยไหม ลูกของชาวบ้านเขาเรามีความทุกข์มีความกังวลหรือเปล่าทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขาเรามีความทุกข์มีความกังวลด้วยหรือเปล่าไม่มีเพราะอะไรก็เพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปอยากยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเข่าของของชาวบ้านเขานั่นเองชาวบ้านเขาจะมีก็เรื่องของเขาเขาจะสูญหายไปก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ทุกข์ด้วย ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาดูเราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานั้นเกิดจากความอยากในใจของเรานั่นเองอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นอยู่กับเราไปนานๆถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเราก็เกิดความวุ่นวายใจถ้าเกิดการทัดภาคจากกันเราก็เกิดความเศร้าสศกเสียใจถ้าเราไม่ต้องการ ที่จะต้องมีความทุกข์มีความเศร้าสลดเสียใจเราก็สามารถทำได้สิ่งต่างๆที่เราไม่อยู่เราก็มีไปแต่เราต้องทำใจคือใช้ปัญญาเอาหลักของอนิจจังความไม่เที่ยงเข้ามาสอนใจเราอยู่เสมอสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมไปต้องสูญไปต้องดับไป ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รอรับสิ่งเรารับกับเหตุการณ์เหล่านี้เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้ไม่ทุกข์ใจเราต้องมองเหมือนกับเรามองทรัพย์สมบัติของชาวบ้านเขามองทรัพย์สมบัติของเราว่าเป็นเหมือนกับทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาถ้าเราไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สมบัติของชาวบ้าน เราก็ไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สมบัติของเราต่างกันตรงที่ว่าทรัพย์สมบัติของเราที่เรามีอยู่เราสามารถนำเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้แต่ทรัพย์สมบัติของชาวบ้านนั้นเราไปเอาของเขาไปใช้ไม่ได้เพราะเขาจะไม่ให้เราแต่ถ้าทรัพย์สมบัติอันไหนที่เป็นของของเราเรามีเราก็เอามาใช้ได้จะเอาไปใช้แบบไหนก็ได้ใช้ก็ได้อู่สองวิธีด้วยกัน ใช้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับใช้ที่เป็นโทษวิธีที่จะใช้ให้เป็นโทษก็คือนําไปใช้แบบสุรุ่ยสุรายใช้ไปตามอํานาจของความอยากของความโลภเอาไปใช้ในทางที่ผิดคือเอาไปเอาไปซื้อสุรายาเมามาดื่เอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยว ถ้าใช้เงินแบบนี้เป็นการใช้ที่ไม่เกิดประโยชน์แต่เป็นโทษเพราะทำให้เรานั้นเป็นคนที่กลายเป็นคนที่ติดสิ่งที่ไม่ดี<ม>เช่นสุรายาเมาหรื อ, อยาเสพติดต่างๆเมื่อเราเสพเข้าไปแล้วเราจะติดจะเลิกยากถ้าไม่ตั้งใจจริงๆไม่ฝืนจริงๆแล้วจะเลิกไม่ได้เมื่อเลิกไม่ได้ เราก็จะต้องสูญเสียเงินทองทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ไปจนหมดถ้าทรัพย์สมบัติไม่หมดก็ร่างกายคือชีวิตของเราก็ต้องตายไปก่อนเพราะสิ่งเสพติดทั้งหลายนั้นล้วนเป็นพิษเป็นภัยเมื่อเสพก็ไปแล้วจะต้องทําลายชีวิตเราทําลายทรัพย์สินของเราสิ่งไหนจะหมดไปก่อนนั้นก็สุดแท้แต่ถ้ามีทรัพย์สินมาก ทรัพย์สินอาจจะยังเหลืออยู่แต่ชีวิตอาจจะดับไปเสียก่อนนี่เป็นการนําเอาทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เอาไปใช้ให้เกิดโทษกับเราในทางตรงกันข้ามถ้าเรานําเอาทรัพย์สินเงินทองนี้ไปทําประโยชน์คือไปช่วยเหลือผู้อื่นไปทําบุญให้ทานเริ่มต้นตั้งแต่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัวเราคือบิดามารดาของเรา ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเล้งดูท่านควรจะหาสิ่งต่างๆที่ดีที่ทําให้ท่านอยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความสบายเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีบุญคุณกับเรามากยิ่งเท่ากับพ่อแม่ของเราชีวิตของเรานี้มีมาได้ก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเรา ดังนั้นเราจะไม่ควรมองข้างพ่อแม่ของเราไปพ่อแม่ของเรานี่เปรียบเหมือนกับพระอาหารหันต์พระพมของลูกๆเราไม่ต้องไปหาพระอริยะเจ้าที่ไหนเพื่อทำบุญกับท่านเรามีพระอริยะเจ้าอยู่สองรูปอยู่ในบ้านของเราแล้วขอให้เราอย่ามองข้างพระอริยะในบ้านของเราทำบุญกับพระอริยะของเราในบ้านของเราก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อย ต่ อ, อไปทำบุญกับพระอริยะเจ้าข้างนอกอีกทีหนึ่งเพราะว่าการได้ทำบุญกับพระอริยะเจ้าข้างนอกนี้ที่เป็นพระอริยะที่แท้จริงนั้นเราก็จะได้รับประโยชน์หลายประการประการหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนของท่านอันเปรียบเหมือนกับแสงสวา่างที่จะชี้ทางให้เราดําเนินชีวิตของเราไปสู่ความเจริญไปสู่ความสุข ไปสู่ความสงบที่แท้จริงถ้าไม่มีพระริยเจ้ามาคอยสั่งสอนเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่อยู่ในที่มืดเราจะไม่เห็นทางเราจะไม่รู้ว่าทางที่ถูกที่ควรนั้นไปในทิศทางใดเราก็จะหลงทางแล้วก็จะต้องเดินไปประสบกับพิษภัยอันตรายทั้งหลาย ที่เราทั้งหลายไม่ปรารถนากันนะนี่ก็คือการใช้เงินให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในเบื้องต้นก็ทํากับผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ทํากับพระอริยญาณทั้งหลายต่อมาก็ทํากับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นสามีเราภรรยาของเราบุตรธิดาของเราญาติสนิทมิตสหายทั้งหลายถ้ามีใครเขาเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวเองได้เราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้ mm. ก็ขอให้ทำไปเถอะอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันการทำบุญไม่จะเป็นว่าจะต้องทำกับพระภิกษุนักบวชเท่านั้นทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกัน mm. บุญนี้มันมีลักษณะอยู่สองลักษณะคือทำไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมานี่ก็คือผลบุญ ถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจคือเราช่วยเหลือผู้อื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแม้กระทั่งคำขอบคุณขอบใจเราทำไปแล้วใจของเราจะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุนักบวชหรือเป็นข้าราชการผู้ของเหลือนก็ตามถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะมีความสุขมาก แต่ถ้าเราทําไปด้วยหวังผลตอบแทนเช่นทําไปแล้วไปทวงบุญทวงคุณให้เขาขอบอกขอบใจให้เขามีความสำนึกในบุญคุณแล้วเขากลับไม่มีความสํานึกเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญเรากําลังทําการค้าขายทําการแลกเปลี่ยนหมายถึงว่าเราช่วยเขา เราต้องยกมือไหว้ขอบขอบใจเราอย่างนี้เราไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญเป็นการทำบุญนี้จะต้องให้ปล่าเปล่ า, ลาไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้ที่เราสงเคราะห์ผู้ที่เราช่วยเหลือถ้าเราทำด้วยความโดยสุดใจไม่ปรารถนาอะไรตอบแทนจากคนที่เราไปช่วยเหลือเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจในตัวของเรา นี่แหะคือผลของบุญที่แท้จริงดังนั้นเวลาเราทําบุญเราจะช่วยขายกระตางเราก็ขอให้พิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรถ้าเราจะทําบุญเราก็ต้องไม่ไปหวังอะไรตอบแทนจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือแต่ถ้าเราไปหวังผลตอบแทนเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเรากําลังเรากําลังทําการแลกเปลน ทำค้าขายเราไม่ได้ทำบุญนะดังนั้นใจของเราก็จะไม่มีความสงบไม่มีความเย็นไม่มีความสุดนะพราะฉะนั้นขอให้เรามองที่ใจเราเป็นหลักเวลาที่เราทำบุญนี่แหละคือการที่เอาทรัพย์สมบัติมันทองที่เรามาอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะว่าเมื่อเราได้ทาบุญแล้ว ใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะไม่ค่อยยึดไม่ค่อยเสียดายกับทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของที่เรามีอยู่เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าของที่เราอุตส่าห์หามาแทบเป็นแท่ตายเราก็ต้องจากไปถ้าเราไม่เอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เราก็เป็นคนโง่ หาเงินมาแทบตายแล้วก็เอามากายมาเป็นภาระมาคอยเฝ้าคอยดูแลคอยรักษาแทนที่จะแปลงเอาเงินนี้เอาทรัพสมบัตินี้มาเป็นบุญเป็นกุศลมาเป็นความสุขกับใจก็กลับมากายเป็นภาระสร้างความทุกข์ความกังวลใจเมื่อตายไปก็ไม่ได้รับผลที่สมจากทรัพสมบัติเงินทองที่มีอยู่ เพราะว่าไม่ได้ทาบุญนั่นเองนี่แหละคือการใช้เงินใช้ทองให้ถูกวิธีเราหาเงินทองมาด้วยความยากด้วยความลาบากเมื่อเราหามาได้แล้วเราต้องเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราและประโยชน์ที่แท้จริงนั้นก็มีอยู่สองประการประการแรกก็ดังที่ได้แสดงไว้แล้วนั่นก็คือการสร้างบุญสร้างกุศล ทำให้ใจของเราอยู่ด้วยความร่มเงย็นเป็นสุขอีกประการนึงก็เอาน้ำเงินทองนี้มาใช้ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเร า, าเราต้องกินต้องใช้นี่เป็นเรื่องธรรมดาบางคนร่ารวยแล้วแทนที่จะเอาเงินทองนี้มาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่สุขสบายกลับเป็นคนตันีที่เหนียวอยู่แบบอดๆักยาอยู่แบบขอทาน พอเสียดายงินเสียดายทองอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีที่ฉลาดเพราะว่าทาเงินหาเงินมาแทบเป็นแทบตายแทนที่จะเอาเงินนี้มาทำให้เราอยู่อย่างสุขสบายคือสุขทั้งกายสุขทั้งใจเรากับเอาเงินนี้มาเป็นคาระเรากับกายเป็นคนที่จะต้องมารับใช้เงินทองคือมาคอยดูแลรักษา มีพระท่านแสดงธรรมไว้อยู่คำาลี้ยงท่านว่าเงินทองนี้มีมาไว้รับใช้เราเราอยากไปรับใช้มัน <Yeah. S 1> เราใช้มันแต่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์กับผู้อื่นและเกิดประโยชน์กับตัวเรา <Yeah. S 1> เราช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากลวบาใจเราก็ได้รับความสุขได้ความสงบ และเมื่อตายไปบุญที่เราได้สะสมไว้ก็จะรองรับเราอย่างพระพุทธเจ้าในแต่ละภบแต่ละชาติพระพุทธเจ้าก็ทำบุญอยู่